เอาอย่างเห็นความเมตตาพวกเราเหล่าลูกศิษย์ได้มอบหัวใจและความศรัทธาถวายหลวงตาจนหมดสิ้นก้มลงกราบท่านครั้งใดหัวใจมันอิ่มเอิบผ่องโตชื่นใจยามใดที่อยู่ใกล้องค์หลวงตาก็เฝ้ามองท่านด้วยความรู้สึกที่อัศจรรย์ในความผ่องใสเราก็มีรัสมีออกจากองค์ท่านเป็นแสงนวลอาราม ตามององท่านยังมีความรู้สึกไม่อยากกระพริบตาอยากเห็นท่านยังไม่คลาดตาเพื่อเก็บรายละเอียดทุกอิริยาบถ ท, ทุกอากัปกิริยาของท่านอิริยาบถ ท, ที่องค์ท่านนั่งพับเพียบอิงหมอนสี่เหลี่ยมนั้นเห็นมาตั้งแต่อายุ20สปีเจเดือนเมื่อท่านเริ่มบวชจนถึงปัจจุบันท่านไม่เคยเปลี่ยนท่านั่งยกเว้นขณะนั่งฉันอาหารและนั่งสมาธิท่านนั่งแต่ละครั้งนานเป็นชั่วโมง ช่วงเช้าท่านลงมานั่งที่ศาลาก่อนเวลาฉันอาหารนานพอสมควรบางวันตั้งแต่ก่อน 6. กโมงเช้าช่วงก้าวที่หลวงตาเดินไปและกลับศาลาแต่ละก้าวที่ท่านเดินจากวัดสู่หมู่บ้านเพื่อเมตตาให้ผู้คนในบ้านตาดได้มีโอกาสใส่บาทรับพรจากท่านโดยตรงเริ่มเป็นก้าวที่สั้นลงสั้นลงและสั้นลงท่านยอมรับว่าท่านอ่อนกาลังลงเรื่อย บางครั้งท่านนั่งนานๆและจะลุกไม่ขึ้นเดินช้าลงและก้าวได้สั้นลงยกเท้าไม่สูงหลวงตาบอกว่าเราแก่แล้วอายุมากแล้ว95ปีสองเดือนเดินซุ่มซ่ามมากขึ้นทุกทีเดินชนตอไม้ดะไปหมดผมสังเกตว่ารอยฟกช้ำแดงคล้ำที่ขาข้างซ้ายของท่านเป็นรอยช้ำมากขึ้นกว่าเดิม จากที่เห็นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพียงสามวันรอยช้ำมีสีคล้ำ ม, มากขึ้นท่านย้ำกับพวกเราว่าเราแก่แล้วอายุมากแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านไม่เคยห่วงตัวท่านเองกลับไปห่วงลูกศิษย์ทั้งหลายให้เร่งประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมเช่นเดียวกับที่วัดป่าบ้านตาดอุดรธานีณสวนแสงธรรมพุทธมนฑนสายสาม หลวงตาเดินนํารับบาดออกจากสวนแสงธรรมผ่านสวนสวนหน้าวัดถึงหน้าถนนที่นี่รถจอดเต็มสองฝั่งถนนแคบที่แยกมาจากถนนพุทธมนตรสายสองคนนับร้อยที่ตั้งใจมาใส่บาดก่อนไปทํางานแต่งตัวเรียบร้อยสวยงามมีทั้งที่เป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทมีที่มาเป็นครอบครัวด้วยต่างอุ้มลูกจุงหลานมาร่วมใส่บาดหลวงตาและพระอีกสามรูป มีท่านอาจารย์เพียรท่านดิกซึ่งเป็นชาวอเมริกันบวชมาแล้วส0สิปีและพระหนุ่มอีกหนึ่งรูปทำหน้าที่ดูแลและเป็นพระเลขาไปด้วยในตัวผมเก็บภาพหลงตาในความทรงจำเมื่อยี่สิปีที่แล้วด้วยกล้องถ่ายรูปเป็นภาพที่น่าดูและต้องจดจำไว้เล่าให้ลูกให้หลานได้รับรู้ว่าได้มีโอกาสใส่บาตรกับพระผู้สมบูรณ์พร้อมที่สามารถบอกได้เต็มปากว่า ท่านเป็นพระอาหารหันต์ในยุคปัจจุบันที่เพียบพร้อมในทุกทางทางศีลทางธรรมและวัดปฏิบัติความเมตตาที่ไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดหลวงตาท่านเดินรับบาตลอดเส้นทางถนนลาดยางเพื่อโปรดสัตว์ทั้งหลายท่านเดินด้วยกิริยาสำรวมทุกฝีก้าวพิจารณาไปตลอดทางมีลูกศิษย์เดินตามคอยถ่ายบาจากพระทุกองเมื่อบาเต็ม จากที่หิ้วกระป๋องเหลืองคนละกระป๋องเป็นคนละสองกระป๋องและในที่สุดมือก็ต้องยอมแพ้คุณสันติและคุณมนัดต้องเอารถเปิดท้ายวิ่งตามคอยถ่ายของที่ผู้คนใส่บาทจนเต็ม